พวกเราเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมเป็นคุณค่าของธรรมะว่ามันมีความหมายมีความสำคัญต่อชีวิตของเร า, าพวกเรามาที่นี่ก็ก็มีศรัทธาในพระธรรมว่าจะช่วยนำพาให้เรามีชีวิตที่พาสุก รวมทั้งประสบความเจริญแต่เราก็ต้องเข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็รอบด้านด้วยธรรมะที่พระเจ้าสอน มีมากมายนะถ้าจะระบุเป็นต้นเลขก็8 000, 000ปด0 0ืี่พันพระธรรมขันบรรจุอยู่ในหนังสือพิเชืวยวพระไตรปิตกก็4ี่้าเล่มมากมายจนหลายคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจแต่ถ้าจะจำแนก หรือสรุปอย่างย่อยๆแล้วธรรมะเนี่ยก็มีแค่สองเท่านั้นแหละอันแรกเนี่ยก็คือคําสอนเกี่ยวกับเรื่องความดีที่พึงกระทำนะเราเรียกสั้นๆว่าจริยธรรมอีกส่วนหนึ่งนะ ก็คําสอนเกี่ยวความจริงความจริงที่ว่าคือสัจธรรมคำสอนของพระเจ้าถ้าพึงทำบมาแล้วก็หลีกไม่พ้นสองข้อนี้นะสัจธรรมและจริยธรรมจริยธรรมก็คือความดีที่ควรทําหรือว่าต้องทําถ้าเกิดปรารถนาชีวิตที่มีความสุข ส่วนศัลธรรมนั้นคือความจริงที่ต้องเห็นต้องเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เรื่องการทำความดีเท่านั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ต่างจากศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นก็สอนเรื่องการทำความดี mm hmm. เช่นไม่ค่าสัตวต์ช่วยไม่รักขโมยไม่ประพฤติผิดในกรามนะ ไม่พูดโกหกไม่ทำร้ายตัวเองด้วยน้ำมาสิ่งเสพติดหลักเเรียทำที่มาอิงศาสนาก็สอนเรื่องความดีนะมันมีความคิดหรือว่าคำสอน เกี่ยวกับเรื่องมัตเสียนิยมเกี่ยวกับเรื่องอาการเคารพสิทธิของสัตวนะ์ก็สอนเรื่องการไม่เบียดเบียนสัตว์แต่พุทธศาสนาเนะี่ยมีมากกว่า น, นั้นสอนมากกว่า น, นั้นก็คือสอนเรื่องความจริงของชีวิตด้วยและความจริงของชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นต้องเข้าใจนะถึงจะพาชีวิตได้ออกจากความทุกข์ได้ การทำความดีเนี่ยมันก็ช่วยเป็นหลักประกันในการสร้างความสุขสงบให้กับชีวิตในระดับหนึ่งคือถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีเรื่องเดือนเนอร้อนใจน้อยลงเพียงแค่เราถือศีลข้อห้าไม่กินเหล้านะไม่เสพสุรายาเสพติด เพียงแค่เราปฏิบัตขิข้อนี้ข้อเดียวอย่างจริงจังเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อ้อนใจต่างๆก็จะไม่มาเท่า่านชีวิตของเราโรคภายไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเพราะความเมา <c oughs> เพราะว่าการกินเหล้าสารพัดนะมีเป็นสิบโรค ก, ก็จะไม่เกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถด้วยความเมามายจนตกคูชนสาไฟฟ้าและทำให้เกิดพิการก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าไปขับรถชนคนจนถึงตายเพราะความเมามมยเม า, มาแล้วขับก็ไม่เกิดขึ้น หรือว่าการที่จะทะเลาะเ บ, บาแวงกับคู่รักสามีภรรยาเพราะเมามมยจนถึงขัง้นทุกตีก็ตัดทิ้งไปได้การขาดงานเป็นประจำนะเพราะเมาหรือว่าเป็นนี้เป็นสินเพราะว่าเอาแต่กินเหล้าติดยา กรอบครเดือดร้อนนะเพราะไม่มีเงินไอ้เรื่องนี้ก็ตัดทิ้งไปได้งั้นเพียงแค่ศีลห้าข้อเดียวนี้ก็จะพบว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะันมีความทุกข์ร้อนน้อยลงนี่ยังไม่นะักศีลอีกสี่ข้อที่เหลือนนะซึ่งก็จะช่วยป้องกันนะ ความยุ่งยากลำบากหรือปัญหาต่างๆไม่ให้มาเผ่า่านตัวเราศีนี้จึงเปรียบเหมือนกับกำแพงนะที่จะกั้นความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ให้มาถึงตัวเราแต่กำแพงเนี่ยกำแพงแห่งศีลหรือกำแพงแห่งความดีนะ มันไม่สามารถจะป้องกันความทุกข์ได้ร้อยเอร์นะอาจจะป้องกันได้สัก 80% ซนะแต่มันยังมีความทุกข์อีกประมาณ 20% ซนะที่สามารถจะข้ามกำแพงแห่งความดีที่เราได้ก่อได้สร้างขึ้นมาข้า ม, มาแล้วมากระทบกับตัวเรา ไม่ว่าจะทาความดีแค่ไหนก็ยังต้องเจอทุกข์บางอย่างต้องเจอกับเรื่องที่ยุ่งยากตื่อร้อนนะเช่นอะไรบ้างเช่นความเจ็บป่วยทาความดีแค่ไหนนะมันก็ต้องมีวันที่ต้องเจ็บต้องป่วย อย่าไปคิดว่าทำความดีแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยนะถึงแม้ว่าอ น, นิสงของความดีเช่นศีลเนี่ยและทานเนี่ยจะทำให้มีอายุวันณสุขคาพละนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะบางคนไม่เข้าใจนะพอเจ็บป่วยขึ้นมาเช่นพ่อตัวเองเป็นมะเร็งก็จะตีโพยตีพา ย, พยว่า ทำไมต้องเป็นชันชั้นฤาทำความดีนะรักษาศีลไม่ใช่ศีลห้านะศีลแปดเถอนะแล้วทำไมฉันยังต้องเจอโรคนี้เ็าพูดเราก็ว่าเป็นคนดีแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยอย่าว่าแต่คนถือศีลแปดเลยนะแม้กระทั่งพระอรหรันตะ์ก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยหรือว่ามรณภาพเพราะว่า พระองค์มาเล่งได้ซ้ำเพราะพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ก็มีความดีไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ก็ต้องประสบกับอาภาพนะจนถึงกับต้องปรินิพพานนี่ขนาดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเราเป็นใครเราถึงคิดว่าเราป่วยไม่ได้เพียงแค่ให้ทารักษาศีล แล้วจะคิดว่าไม่ป่วยเลยเนี่ยอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่เข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตเั่นทาความดีแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตนี่ก็ทําให้ทุกข์นะไม่ใช่แค่ทุกข์กายจะทุกข์ใจด้วยทําความดียังไงก็ต้องแก่นะผมหงอกผิวนังเหี่ยวยน่นกําลังวังชาถดถอย ไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วไม่แก่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายวันนะมันก็ไม่ผ่องใสนะทำความดียังไงก็ต้องเจอความพักภรากสูญเสียไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วนะพ่อแม่จะอยู่กับเราไปจนตลอดไม่ใช่ว่าทาความดีแล้วเนี่ย ของไม่หายนะเงินไม่ถูกโกงความพัดพลาดสูญเสียนี่มันเป็นเรื่องที่ทำเป็นธรรมดาโลกพัดพราดจากคนรักพัดพราดจากของรักอย่าไปเชื่อทําทความดีแล้วจะไม่ประสบไม่ประสบความพัดพราดนะใครที่ตั้งใจที่ถามว่าทําบุญแล้วเนี่ยขอจะได้ประสบความพัดพราด พอได้พวกเขาว่าไม่มีอันนี้เป็นไปไม่ได้ความพัดพราดต้องเกิดขึ้นและจากที่มีก็หมดมันก็เป็นธรรมดาถ้าเราไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยถึงเวลาพัดพ้าดสูญเสียเอาแค่ทรัพสมบัติก็พอก็จะไม่เสียแต่ทรัพนะแต่เสียใจด้วย ถ้าพอเสียใจแล้วนะมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียตามมาควบคู่กันนะก็คือเสียงานกลุ่มอกกลุ่มใจไม่เป็นกานทำงานตัดเพ้อต่อว่าชะตากรรมทำไมฉันทำความดีแล้วต้องมาถูกโกงนะไม่เป็นกานทำงานนะ เสียงานเสร็จ แ, แล้วไอ้ความทุกข์ใจมันก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดทาให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองคุณนมัวก็กลายเป็นว่าโกรธง่ายมีใครมาพูดไม่ถูกใจนิดเดียวก็ด่าเขาตว่าใส่เขาถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนก็เสียเพื่อนถ้าคนนั้นเป็นคนรักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็เสียความสัมพันธ์เรียกว่าเสียสมรรถภาพ ถ้าไม่เห็นถ้าไม่อยอมรับความจริงนะความพัาดพลาดสูญเสียว่าเป็นธรรมดาพอเสียทรัพย์นี่ก็จะเสียอื่นตามมาเสียใจเสียความสุขเสียงานเสียสุขภาพเสียเพื่อนเสียสมบัติภาพแต่ถ้าเราเห็นว่ามัน คือความจริงของชีวิตเรายอมรับได้เราไม่ตีโพยตีพายมันก็จะเสียอย่างเดียวนะก็คือเสียของแต่ว่าความสุขหรือใจไม่เสียสุขภาพก็ไม่เสียกินได้นอนหลับความดันไม่ขึ้นนะงานการก็ยังทำได้ต่อไปส่วนเหตุที่ทำให้เกิด เสียเพื่อนเสียสมรรถภาพก็ไม่มีทำความดีนะมันก็มีคนไม่เข้าใจเป็นธรรมดาอย่าไปคิดว่าทำความดีจะมีแต่คนสรรเสริญเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญก็มีแล้วก็เป็นธรรมดาด้วย และที่เขาไม่สารเสวนก็ยังถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีที่แยกกว่านั้นก็คือคาตอว่าดาทอใส่ร้ายป้ายสีหรือว่านินทาคนที่บอกว่าเนี่ยทำไมฉันทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นทำไมฉันทำความดีแต่คนไม่เข้าใจฉันฉันทำความดีแต่ทำไม ยังถูกนินทาคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเขาไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมว่านี่เป็นธรรมดาโลกมีสารเสญแล้วก็ต้องมีนินทาเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับมีกับหมดเนี่ยก็เป็นของคู่กันมีกับหมด พบกับพรากเจอกับจากนะมันมาคู่กันตลอดคําว่ามีและไม่หมดจะเป็นไปไม่ได้พบแล้วไม่มีคําว่าพรากนี่เป็นไปไม่ได้เจอแล้วไม่มีคําว่าจากนี้ก็เป็นไปไม่ได้สารเสวยก็เช่นเดียกันมีแต่สารเสวยอย่างเดียวไม่มีนินท้าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าทําความดีแล้วอยากให้คนสารเสวยก็ต้องเตรียมใจพบกับคำนินท้า ถ้าไม่อยากทุกเพราะคำดินทาก็อย่าไปดีใจเพราะคำสารเสรินมันมีแค่นี้แหละบางคนมีคนมาถามัาตมาทำยังไงนะถึงจะไม่ทุกข์เมื่อมีคนต่อว่าด่าทอก็บอกเขาไปว่าเวลาคนชมก็อย่าไปดีใจถ้าเราไม่ดีใจในคำชมในคาสารเสริญ น, นะใจไม่ฟูเวลาถูกคนตาหนิต่อว่าใจก็ไม่แฟงนะมันก็ไม่ทุกข์ ถ้าดีใจเพราะความสารเสริจแล้วเนี่ยเจอความดินเท้าแล้วไม่ทุกเนี่ยเป็นไม่มีมันต้องเกิดขึ้นวันอย่างคำเหมือนกับเรารอยอยู่บนที่สูงนะเช่นส ม, มมุติมีลูกบรรลูมันดึงพาเราลอยขึ้นฟ้าแล้วลูกบรรลูมันเกิดแตกขึ้นมาเราก็ตกลงมายิ่งเราอยู่สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งตกมาเจ็บมากเท่านั้น ถ้าไม่อยากเจ็บก็อย่าอย่าขึ้นบอลลูนเพราะถ้าขึ้นบอลลูนแล้วมันตกมันแตกเมื่อไหร่ก็ตกลงมาเจ็บไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าลอยให้มันสูงนนะเอาเท้าเหยียบพื้นเอาไว้ก็จะไม่มีคำ ว, ว่าตกตกมันเกิดขึ้นเพราะลอยถ้าไม่ลอยมันก็ไม่มีคำ ว, ว่าตกนะเหมือนกับถ้าไม่อยากพราก็อย่าเจอ อย่พบนะแต่ถ้าพบเราก็ต้องเจอพระลาดเป็นธรรมดาไม่ชาก็เร็วความจริงเนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นนะทําความดีเท่าไหร่ให้ทานรักษาศีลแต่ว่าไม่พยายามฝึกใจใหเห็นความจริงไม่เปิดใจใหเห็นความจริงยังปล่อยให้ใจถูกครอบคุมด้วยอวิชชาหรือด้วยความหวังที่ไม่เป็นจริง หรือความหวังที่สอดที่สวนทางความเป็นจริงก็ต้องเตรียมใจทุกนะมีผู้ชายหนึ่งแกก็เป็นคนที่สนใจธรรมะพยายามที่จะรักษาศีลตั้งแต่ยังหนุ่มเพื่อนชวนกินเหล้าไม่กินเพื่อนพาเที่ยวซ่องไม่ไปนะก็พยายามที่จะรักษาตัวให้มีรักษาตัวให ให้ถูกต้องนะตามธรรมทาบุญด้วยนะแกก็ทำนะทาบุญเพอด้วยทำบุญเต็มที่เลยนะด้วยความเชื่อว่าเมื่อทําแล้วทําบุญแล้วทําความดีแล้วเนะี่ยจะมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่มีอันตรายมาแพ่วผ่านก็ทําอย่างนี้มาตลอดจนกรทั่งอายุสี่สิบแล้ววันนึงก็พอตนเเป็นมะเร็ง พอ่ตัวเองเป็นมะเร็งเนี้ยโกรธมากเลยนะไม่ใช่แค่เศร้าใจหรือกลัวทั้งนั้นแต่โกรธผิดหวังอ้าวนว่าทำบุญทำความดีแล้วจะมีอายุวันณาสุขะพะละไม่เจ็บไม่ป่วยไงแล้วทำไมฉันเป็นมะเร็งแปลว่าทำดีไม่ได้ดีสิหรือว่าฉันถูกหลอกอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกนะ ลอาให้ทำความดีแล้วเลยต้องมาเจอแบบนี้ก็กรัดเกลียวนะอยู่ด้วยความหงุดหงิด ต, ตลอดเวลากลายเป็นว่าไม่ได้ป่วยแต่กายป่วยใจด้วยวอยไวยใส่หมอใส่พยาบาลไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วพอตายก็ตายด้วยความทุรนทุรายนะตายไม่สงบ นี่เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าทําแต่ความดีแต่ว่าไม่ฝึกใจไม่เปิดใจใหเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงของชีวิตก็จะรู้ว่าเออความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเหมือนกี้ที่เราสวดทุกวันทุกวันนะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราจะต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนะพุทธพจน์ที่ว่านี่นะเป็นสิ่งที่เราต้องมันศึกษาพิจารณานะท่องใส่ใจงจะไม่พอนะท่องไปแล้วมันก็เหมือนก น, นกแก้วต้อขุนทองต้องพิจารณาอยู่เสมอแล้วก็เตือนใจอยู่เสมอว่านี่แหละคือความจริงของชีวิตนี่คือสัจธรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับเราไม่วันใด ก, ก็วันหนึ่งหรือกําลังเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่รู้ตัว เช่นคนที่หนุ่มสาวเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเพราะเขากําลังแก่ลงแก่ล ง, ลงนะไม่ใช่มาแก่เมื่ออายุสี่สิบนะมันเริ่มแก่ตั้งแต่เกิดแล้วล่ะพอเกิดมานี่ก็ก็ถือว่าความแก่เริ่มทันทีทารกอายุหนึ่งขวบนี่ก็แก่นะเมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่ในท้องนะทารกอายุหนึ่งขวบก็แก่เมื่อเทียบกับเด็กที่เพิ่งเกิด ความเจ็บปวดเช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและที่จะเกิดขึ้นก็ยังมีอีกมากมายเมื่อเราพิจารณาความจริงของชอเช่นนี้อยู่เสมอนะแม้แต่ไม่ต้องถึงขั้นไม่ต้องถึงขั้นวิปัสสนาก็ได้แค่รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัว ดูข่าวสารฟังเรื่องราวของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวตรงนี้มันก็เป็นธรรมะซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นแกเป็นมะเร็งที่ใบหน้านะแผลเนี่ยแผลใหญ่เลย กินแก้มแล้วก็จมูกบางส่วนแล้วก็ไปถึงริืฝีปากโรคนี้เป็นโรคที่เจ็บปวดมากไม่ใช่แค่เจ็บปวดอย่างเดียวนะแต่ว่ามันทําให้เกิดความทุกข์ใจได้ไม่น้อยเพราะว่าใครเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกด้วยสองสาเหตุก็คือว่าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยถ้าไปเจอแดดมันก็ปวดแล้วข้อที่สองถ้าผู้คนเห็น ก็คือไม่อยากให้ผู้คนเห็นนะเพราะว่าหน้าต่างตือมันไม่สวยคนเห็นแล้วเขาก็กลัวก็ไม่อยากออกไปก็ต้องเก็บตัวในบ้านอยู่ในบ้านก็ต้องมีม่านบังพรางแสงเอาไว้คนที่ป่วยมะเร็งชนิดนี้ในอเมริกาเนี่ยตายค่าตัวตายไปหนึ่งในสี่ไอ้สามในสีสาในสนี้ก็ตายภายในเวลาไม่ไม่กี่เดือนหมอคนหนึ่งได้รับ มอบหมายไปเยี่ยมคนไข้ที่ป่วยมะเร็งที่ใบหน้าแกก็หลักใจเพราะว่าอย่างที่บอกคนไข้มะเร็งประเภทนี้เนี่ยเขาจะมีความกราดเกลียวก็จะมีความทุกข์ใจมากจะเป็นคนไข้ที่จัดการได้ยากแต่ปรากฏว่าพอไปหาคนไข้คนนี้ประโยคน์หน้าที่คนไข้คนนี้ทักก็คือว่าหมอเป็นไงสบายดีไหม ถ้าเจอคำทักทายป้แสาว่าคนไข้คนนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นพวกกรัดเกลียวหรือว่าเป็นพวกหมุดหินก็บอกว่าคนไข้คนนี้เขาอารมณ์ค่อนข้างจะดีมันก็น่าสนใจนะปวดขนาดนี้แต่ว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ย่าแย่เลยคุยไปคุยมา ก, ก็เล่าว่าเนี่ยแกที่แกเป็นมะเร็งปาก ใบหน้านยก็คงจะเป็นเพราะว่าสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยกินเหล้าสูบบรีเยอะสำใหเลยเเทมเมาแกใช้ชีวิต อ, อย่างเสี่ยงนะมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีความสุขต้องอยากกันแกก็ลูกก็ต้องไปอยู่กับแม่กับภรรยาคงณพาะใช้ชีวิตแบบนี้แหละทำให้แกเป็นมะเร็งแกก็ยอมรับได้นะแต่ว่าเหตุผลสาคัญที่ทำให้แกไม่ทุกธทรมานเนี่ย ก็คือว่าเวลาแกแกเล่าว่าเวลาแกอยู่คนเดียวแกไม่มีอะไรทําก็เปิดโทรทัศน์และโทรทัศน์ช่องที่แกเปิดเป็นประจําก็คือ CNN ยและเนียก็มีแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติอาจจะกา ร, รสงครามโรคระบาดน้ำท่วมแผ่นดินไหวนแกดูไปดูไปเนี่ยแกก็ได้คิดขึ้นมาว่าเนี่ย ความทุกข์ที่เป็นธรรมดาของมนุษย์มากไม่มีใครที่จะไม่ทุกข์เลยนะความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์แล้วแกไม่ได้มองแค่นี้แกมองต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษยชาติแกพิจารณาแบบนี้เนี่ยแกก็ยอมรับความจริงของแกได้นะว่าที่แกเจบป่วยนี่เป็นธรรมดา เมื่อใจก็ยอมรับได้แต่ ก, ก็ไม่ทุกข์ไม่บน่นไม่ตีโพยตีภายทําไมต้องเป็นชั้นคนเราทุกข์กายนะไม่ทุกข์ใจก็ได้นะแตท่ที่ทุกข์ใจก็เพราะแหละเพราะบน่นตีโพยตีพายอย่ยวว่าแต่เจอความทุกข์กายเลยแม้ได้โชวได้ลาบแต่ไม่พอใจพราะเห็นคนอื่นได้มากกว่า ทันทีที่ใจเริ่มบ่นตีโปรตีพายนว่าทำไมฉันได้น้อยกว่าเขาไม่เป็นธรรมเลยเนี่ยทุกทันทีเลยทุกใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไ ม, ไม่ไม่ต้องเจอสิ่งแย่ๆก็ได้แม้เจอแต่แม้เจอสิ่งที่ดีเช่นได้ช่วยได้รับแต่ว่าไม่ยอมรับเพราะอยากจะได้มากหรือเพราะมีการเปรียบเทียบพอใจเริ่มบ่นตีโตีพายวอวายเทนั้นนะ ความทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีนะแต่ถ้าจเรายอมรับไดนะ้ก็ความทุกข์ใจก็น้อยลงอย่างผู้ชายคนนี้แกเป็นมะเร็งที่ปวดมากแต่ว่าแกยอมรับได้เพราะหนึ่งแกทำตัวแบบนี้เองและสองซึ่งเป็นข้อสำคัญมากคือมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะความเจ็บปวยความทุกข์พอแก ดูช น, นี้เนี่ยแกก็ใจแกก็สงบแกก็ไม่หงุดหงิดอารมณ์เสียสิ่งเดียวที่แกพยายามตั้งใจจะทําให้ได้คือดูแลตัวให้ดีเพื่อจะมีเวลาอยู่กับลูกให้นานที่สุดเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับลูกเท่าไหร่เลยตอนนี้เนี่ยได้คิดแล้วอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อลูกก็เลยพยายามอยู่ให้นานที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองดูแลสุขภาพนีย พมอว่าแกอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่แกอยู่ได้เป็นปีระหว่างที่ระหว่างที่อยู่แกก็ไม่ไทุกทรมานนะเมื่อเทียบกับคนคนแรกที่พูดถึงเนี่ยนะต่างกันเยอะเลยแลวตอนที่แกตายแกก็ตายไปสงบนะอันนี้ก็น่ากินนะคนหนึ่งเนี่ยคนแรกที่เข้าวัดทำบุญแต่ว่าไม่เห็นทำ จ็ป่วยแล้วยอมรับไม่ได้แล้วก็เลยอยู่อย่างทุกข์ทรมานอีกคนหนึงซ้ำมาเลยเทมมเมาแต่สุดท้ายเนี่ยเข้าใจธรรมเข้าใจความจริงนะแล้ที่แกเข้าใจความจริงหรือสัจธรรมนี้ก็ไม่ได้จากการเข้าวัดบางคนเข้าวัดนะทำทำบุญแต่ไม่เห็นศัจธรรมแต่บางคนไม่เข้าวัดแต่ก็เห็นศัจธรรม เพราะว่าเขารู้จักมองดนะูดูเสียนเนนก็สามารถจะเห็นธรรมะได้เมืเ่อท ร, รมาแล้วเนี่ยธรรมะก็รักษาใจให้ให้ให้เป็นให้เป็นสุขหรือสงบอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าเวลาเรามาวัดเนี่ยเราอย่ามัวแต่ทำความดีเท่านั้นนะแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะเปิดใจให้เห็นความจริงหรือสัจธรรมด้วย เข้าวัดแต่ไม่เห็นศีลธรรมมีเยอะนะใครกันคนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยแต่เห็นศีลธรรมเนี่ยก็มีอยู่นะแล้วเห็นศีลธรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะคนเข้าวัดแล้วไม่เห็นศีลธรรมเนี่ยพอเกิดเรื่องเดินเลาขึ้นมาในชีวิตนี่มันสวิงกลับนะมีหลายคนนะที่สวิงกลับก็คืออ้าวนายว่าทําดีแล้วได้ดีไงแล้วทำไมฉันเจ็บฉันป่วยทําไมฉันถูกโกงทําไมฉันบ้านฉันไฟไหม้น้ําท่วม ต่อไปที่ฉันไม่เข้าวัดแล้วทำดีแล้วไม่ได้ดีนี่อันนี้เรียกว่าตีกรับนสวิงเพราะอะไรเพราะว่าทำบุญหรือเข้าวัดด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคือไปเข้าใจว่าทำบุญให้ทานแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่เจอความทุกขนะชีวิตแต่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโชคช่วงชะวังจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พัฒพร้าวเนี่ยอันนี้เป็นการ ตั้งความหวังที่สวนทางกับความเป็นจริงสวนทางกับศัจจธรรมถึงแม้ทําความดีแบบนี้เนี่ยแม้ทําความดีแต่ถ้าตั้งความหวังสวนทางกับความจริงนะมันก็ยิ่งทุกข์นะไม่ใช่แค่ทุกข์กายเท่านั้นนะไม่ใช่แค่เสียทรัพย์เท่านั้นนะจะต้องเสียใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งความตั้งจิต สอนท่องความเป็นจริงก็คือว่าทำความดีก็ก็พร้อมนะว่าพร้อมที่จะเจอกับความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความพัดพราดถึงเวลาเกิดขึ้นเนี่ยถึงเราไม่เกิดขึ้นจริงมันก็จะทุกแต่กายแต่ว่าใจไม่ทุกหรือว่าเสียแต่ทรัพแต่ว่าใจไม่เสียเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากนะเพราะว่า หลายครั้งคนที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยตั้งจิตปรารถนานี่ไม่ถูกต้องสวนทางความเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดผลเสียกับตัวเองตามมาเมื่อส0ปีก่อนในที่จังหวัดสุเดีมันมีไฟไหม้ใหญ่บ้านเมืองบ้านเรือนถูกเผาผลาญกันเป็นร้อยหลังคาคนเดือดร้อนซีเนอประดาตัวเป็นพัน ก็มีบางคนมาตัดพอก็หลวงปู่ดูลนาตุลโลหลวงปู่ดูลนนั่นเป็นสิทธิหลวงปู่มาลูเล็กแล้วก่อนหลวงตามหาบวยมาตัดพ่ออะไรมาตัดพ่อเนี่ยปู่ยาตายายเขาก็ทำบุญนะอุปธรรมวดัดพ่อแม่เขาก็นะบำรุงศาสนาตัวเขาเองก็ใส่บาต ท, ทอดทอดพระปา ท, ทอดกระถิ่นไม่ได้ขาด แต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองบางคนนี่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่เข้าวัดต่อไปนี้ไม่ทำบุญล้เมืปูดูนทก็บอกว่าเนี่ยไฟมันทำหน้าที่ของมันแล้วท่านอธิบายเพิ่มว่าความวิบัติความมันตรทานความเสื่อมเสียความพัดพราเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกคนที่ไฟทำคนที่ปฏิบัติทำเนี่ย เมื่อเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยนหน้าที่ของธรรมะคือว่าทำไงถึงจะไม่ทุกข์ธรรมะไม่ได้ป้องกันให้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้หิวไม่ให้สูญเสียนะไม่ให้พัดพรากไม่ใช่นั่นม่ใชรร่หน้าที่ของธรรมะห้ที่ธรรมะคือว่าช่วยรักษาใจล่ะไม่ให้ทุกข์เมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้น อันนี้แหละนะเป็นถึงอยากจะเน้นว่าเรื่องการเห็นความจริงการเข้าใจความจริงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เขาไม่ใช่เข้าใจความจริงแบบนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจความจริงละเอียดละอามากเช่นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เราก็จั ก, กรวาลก็มีการขยายตัวไม่สิ้นสุดนะสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีวิวัฒนาการอาจจะเริ่มเป็นสัตว์เซลล์เดียวนี่คือความจริงของชีวิต แต่พุทธศาสนาไม่ไม่ได้พูดถึงความจริงในแง่นั้นแต่พูดถึงความจริงที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงที่เราต้องรู้จักรวมทั้งเข้าใจความจริงเรื่องโลกธรรมแตกด้วยนะอันนี้มันก็แตกแยกแตกยอ ด, แ ต, ยอดแตกมาจากเรื่องอนิจจังแนละ้วคือว่ามีลาภก็เสือมลาภมียศก็เสือมยศสารเสรินกับนินทานเปของคู่กันสุกกายกับทุกกายนี่เป็นของคู่กัน เราสูบพ่ออะไรเราก็จะทุกข์เพราะเหตุนั้นสูเพ่อซั์ก็จะทุกข์เพราะซั์สูเพ่อเรือนร่างของตัวก็จะทุกข์เพราะรือนร่างของตัวสูเพ่อลูกก็จะทุกข์เพราะลูกสูเพ่อคนรักก็จะทุกข์เพราะคนรักอันนี้มันเป็นความจริงของชีวิตนะที่เราอย่ามองข้ามนะต้องหมั่นพิจารณา เมื่อเราเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้เนี่ยนะเวลาเจอความพลาพราดสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยเจอคนต่อว่าดาัดทอเราก็ไม่ทุกข์พราะร่วมเป็นธรรมดาไม่มีใครที่หนีไม่มีใครที่ไม่ถูกดินทาแม้แต่พระเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้มากกว่า น, นั้นคือนอกจากจะเห็นธรรมดาของมันแล้วเนี่ย หรือเห็นว่ามันธรรมดาแล้วเนี่ยเรายัางฉลาดที่จะหาประโยชน์จากมันด้วยคําต่อว่าดาทอเ น, นี่ยนอกจากเราไม่ทุกข์พอเห็นเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยเราฉลาดที่จะมองว่าเออมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเสียชีวิตไปแล้วเป็นเนจ้าของเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอ ป, ปมองคล วันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลก็แปลว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลความตำหนิหลายคนมองว่าเป็นเป็นความซวยวันไหนถูกตำหนิวันนั้นซ ว, วยแต่ว่าเป็นเพราะเขายังไม่มองว่าความตาหนิมันมีประโยชน์นะเช่นช่วยทำให้เราเนี่ยมีอัตาน้อยลงคนที่คิดว่าตัวเองเก่งบางทีอดสาคัญตนไม่ได้ว่าตน เ, เป็นเทวดาไปแล้วผิดพลาดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรา เจอคำตำหนิมันช่วยฉุดเราให้ลงมาจากให้ให้ให้ออกมาเห็นความจริงะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้ไม่หลงตัวลืมตนอันนี้เป็นประโยชน์น้ำคําตําหนิเลยว่าสราคนเก่งคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมักจะหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งฉันแน่จนกระทั่งผิดไม่ได้อันนี้เราว่าสําคัญตนผิดละซึ่งมันจะนําความทุกข์มาให้ คำวิจารมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยฝึกใจเราก็ได้นะฝึกใจเราให้เข้มแข็งให้เราไม่วันไหวนะเราต้องรู้จักใช้คำตำหนิมันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ฝึกใจสอนใจฝึกใจให้เข้มแข็งสอนใจให้ให้เราเข้าใจเรื่องโลกธรรมแปลนะอาแต่มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจนจันใด หลายคนอาจจะเคยรู้จักนะตอนที่แกมีชื่อมันในเรื่องการทำเกษตรธรรมชาติคนต่เป็นไปฝึกเป็นชาวนาชาวสวนกับแกฝัาหลังก็ไปนะจนแกบอกว่าตอนที่แกยังหนุ่มเนี่ยแกยก็อยากรวยเหมือนคนอื่นก็เลยเข้าเมืองแต่แกไม่มีชาวความรู้ก็เลยต้องไปเป็นพนักงานมีครามนึงไปเป็นพนักงานโรงแรมทำความสะอาดห้องพัก เขาบอกว่าแกเจอจ้านายซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งไม่เคยพบคนแบบนี้มาก่อนเป็นแม่บ้านนะเจอหน้าก็ดา่าเลยด่าดาด่าดาดาอย่างเดียวนะไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะโจรบอกวันหนึ่งแม่บ้านให้แกเนี่ยไปขัดลูกบิดประตูของห้องพักนะในห้องพักของแค่ ให้ใช้ประโซขัดแกก็ขัดอย่างดีนะขัดด้วยความตั้งใจขัดเกือบเสร็จแล้วผู้จัด ก, การโรงแรมเดินมาเห็นก็ว่าแกเพระว่าเนี่ยขัดได้ยังไงไอ้รู ป, ปแบบแบบที่มันใช้ประโซขัดไม่ได้แม่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเล่าเป็นคนสอนใแกขัดปลาโซเองนะแทนที่จะแก้ต่างให้แกนะกลับซ้ําเติมแกว่าขัดอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้รือว่ามันขัดไม่ได้ไอ้ปลาโซอ่ะ เจอวันนี้เนี่ยเราน่าจะโกรธนะแต่ว่าโจรนี่แกแกยิ้มนะแกยกมือพนมมือไหว้ขอโทษครับขอคุณครับแล้วแต่นั้นมานะเวลา ก, ก็ถูกเจ้านายด่านะจะมีเหตุผลไม่มีผมก็ตามแกก็จะยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณครับ เพื่อนเพื่อนๆนี่นนก็หาว่าแกบ้าหรือหาว่าแกโง่ถูกด่านี่กลับไปขอบคุณเขาทําไมผ่านไปเป็นเดือนนะเจ้านายคนนี้แม่เรานี้ก็เรียกแกมาหาบอกว่าเนี่ยฉันสงสัยนะว่าเวลาฉันด่าแกเนี่ยทําไมฉันด่าเธอทําไมเธอถึงยกมือไหว้ฉันแล้วถามขอบคุณฉันอีกจนเขาบอกเนี่ยผมยกมือไหว้ก็เพราะว่าเวลา แม่บ้านดาเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาดูตัวเองกลับมาจัดการความกลัวของตัวเองกลับมาจัดการความไม่พอใจของตัวเองนะผมก็เลยขอบคุณนะพราะว่านับแต่วันนั้นมาเนี่ยแม่บ้านที่เลิกด่กันเลยนะอาจจะเรียกว่านับถือน้าใจโจนนะคือโจนเนี่ยเขาเขามอว่าคำด่านี่มีประโยชน์ เป็นการฝึกใจเขาให้เขากลับมาดูใจของตัวเองเ ว, เวลาเราถูกด่าเนี่ยใจเราจะสังเกตนะใจมันจะพุ่งออกไปที่คนที่ดา่าอยากจะไปด่ากลับอยาจะไปแก้แค้นเราไม่ค่อยดูใจของเรานะว่าใจเรากำลังมีความโกรธเผาอยู่แต่ว่าสําหรับโจนเนี่ยเขามองว่าเนือคำด่านี่มีประโยชน์ทำให้เขาากลับมาดูใจเห็นใจที่มันโกรธแล้วก็ให้ตัดการความโกรธนั้น แล้วเขาต่อหลังเนี่ยอะไรกันแ้นเนี่ยเขาเนี่ยเวลาใครดา่าหรือว่าเวลาใครมาโต้แย้งเขานี่เขาไม่เคยโกรธเลยเขาก็ยิ้มให้นะจิตเขาพัฒนาขึ้นจากอะไรนะจากคําด่าของแม่บ้านนะให้เรารู้จั ก, จากหาประโยชน์จากคําด่านะรวมทั้งความทุกข์ทั้งหลายคําตอว่าดาทอเนี่ยแต่มาว่าเปลี่ยนเหมือนกับหนามทุเรียนนะเวลาคนโยนทุเรียน กว้างใส่เรานี่เราควรทําอะไรเอาหน้ารับนะควรหลบใช่ไหมแล้วเราหลบเสร็จเนี่ยเราควรทำอะไรกับทุเรียนนั้นเอาทุเรียนคว้างกลับหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่ทํายังไงเวลาถูกดา่า <c oughs> เอาตัว <c oughs> เขาด่าว่าเราเป็นหมาเราก็ไปเออกูเป็นหมาแล้วโกรธเขา <c oughs> ผลว่าชบาบบอกเวลาเวลาถูกด่าเนี่ยก่อนที่จะโกรธเขาคำคำที่ก้นก่อนนะว่ามีหางงอกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าหางไม่งอก ถ้าหางง อ, อกถึงค่อยไปดา่าเขาคือเวล า, าใครด่าเราเนี่ยด่าเราเป็นหมูเป็นหมาเราต้องหลบนะคือว่าเราอยไปรับสมอ้างว่าเราเป็นหมูเป็นหมาแล้วใครเด็กกก็ไม่ควรจะไปด่ากลับความวิจารณ์เนี่ยมันเหมือนกับทุเรียนนะมันมีน้ําแหลมที่ทําให้เจ็บปวดก็จริงแต่ข้างในมันเนี่ยคืออะไรเนื้อใช่ไหะ เราต้องรู้จักเอาหนามออกเพื่อกินเนื้อนะคำต่อว่าดาทอเนี่ยนะก็เหมือนกันนะมันถ้าเราเอามือไปถูมันเอาหน้าไปถูมันก็เจ็บนะแต่เราอย่าทำแบงนั้นนะสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าแกเอาเปลือกออกแล้วเราก็จะพบกับเนื้อคำวิจารณ์มีประโยชน์นะ หรืออย่าง้อสุดท้ายหาประโยชน์แล้วก็ทําให้รู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดอย่างไรหรือทําให้รู้ว่าเขามีนิสัยใจคออย่างไรบางทีเรารู้จักคนจากคําด่าของเขามากกว่าคําชมนะเราจะรู้จักตัวตนคนคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่จากคําชมนะแต่จากคาําด่าเขาด่าอย่างไรพราวิจารณอย่างไรเนี่ยเราจะรู้จักเขาคนบางคนเนี่ยด่วนสรุปเจอปุ๊บด่าปั๊บเลยเนี่ยเราก็รู้ได้哦เขาเป็นคนแบบนี้เองนะ เป็นคนที่ไม่รู้จักไตรตรองปากวายใจเร็วนะเราก็รู้จักนิสัยคนแล้วเรารู้จักนิสัยคนจากคำด่านะมากคว่าคำชมของเขานะลองไปพิจารณาดูการที่เรารู้จักเขาเนี่ยมันก็ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็ทำให้รู้ว่าเราควรจะเคาะเขาแค่ไหนคำดาเนี่คาวิจารณ์ทำให้เรารู้จักตัวเองทำให้เรารู้จักคนอื่น แล้วก็ทำให้เราเห็นความจริงของโลกว่าเนี่ยนั่นคือธรรมดาลโลกนะ mm hmm. เมื่อเราร่วมเป็นธรรมดาลโลกคือโลกธรรมเนี่ยเราก็ปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากจะให้เราได้นะเตือใจอเสมอนะว่าเมื่อมาเมื่อจะมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยทำความดีก็ดีแล้วนะแต่ไม่พอนะ ต้องเปิดใจเห็นความจริงด้วยด้วยการพิจารณาน้อมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาใส่ตัวเราดูข่าวครา ว, าวจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์ก็ยเพิ่งดูเฉยๆน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปัยิโกเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของธรรมะคือสิ่งที่คนน้อมเข้ามาใส่ตัวอะไรก็ตามที่เราน้อมเข้ามาใส่ตัวนะันมันจะกลายเป็นธรรมะได้นะ อ่านข่าวคราวดูโทรทัศน์ซีเและน้อมเข้ามาใส่ตัวก็กลายเป็นธรรมะได้แต่ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าสวดมนต์แต่เราไม่น้องเข้ามาใส่ตัวนะเราไม่ได้ธรรมะเลยนะอ่านหนังสือสวดมนต์เนี่ยหรืออ่านธรรมะเนี่ยแต่ไม่น้องเข้ามาใส่ตัวไม่กต้องพระต่ายเบิกอ่านแล้วไม่น้องเข้ามาใส่ตัวก็ไม่เกิดธรรมะขึ้นในใจเราเพรา ะ, ะนั้นนี้ก็นะ การเปิดใจเห็นความจริงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเป็นสาระความทุกข์ถึงเวลาเราเจ็บเราป่วยแล้วก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ใจไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้ว่าเป็นความจริงเป็นธรรมดาเวลาเงินหายคนหายของหายมันก็เสียทรัพย์ก็จริงแต่ว่าใจเราไม่เสียเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาถึงเวลานา้ําท่วมไฟไหม้เออมันก็เป็นธรรมดาโลกของหายของ ถูกทำลายก็ไปหาใหม่แต่ถ้าเรามองดีๆเราจะได้ธรรมะว่าเออเนี่ยคือธรรมดาโลกเกิดปัญญาขึ้นมาเอาแล้วก็พื่เท่านี้สอบช้ญนี้